ธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่25เรื่องโอวาทของบิดาพระเจ้าสุรเสนะทรงถือเป็นเจิวัติในการเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อทรงปรึกษาราชกิจ และศึกษาสะดับโอวาสค่ำวันหนึ่งไม่ได้ถวายคารวะธนิยะพระชิดบิดาแล้วพระเจ้าสุรเสนะก็ทรงขอให้ธนิยะประธานข้อวินิจฉัยในการบริหารแวนแควนเพื่อเป็นแนวตรวจสอบหลักการส่วนรวมร่วมกันสืบไปดูก่อนสุรเสนการที่พ่อยินยอมให้เจ้ารุมรมตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปกครองอยธยามหานครอันเคยเป็นราชธานี มีชื่อเสียงในบรณการแต่ได้ซบเซาลงไปในการก่อนต่อมานักแขวนโกศลภาคใต้นี้ก็ด้วยต้องการให้เจ้าได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างไพศาลแจมหาชนประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งเพื่อให้ทดลองความสามารถทำพระนครซึ่งใกล้จะร้างอยู่แล้วให้รุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกวาระหนึ่งการปกครองพระนครและแบ้่นแควนซึ่งจเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว ใครๆก็อาจทำได้และยั่งกันทำด้วยซ้ำเพราะเพียงแต่รักษาฐานะเดิมให้คงอยู่ก็ไม่มีใครว่ากล่าวได้ส่วนการปกครองบ้านเมืองที่สุดโซมให้เจริญด้วยความรู้ความสามารถด้วยความฉลาดรอบคอบเป็นของทําได้ยากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก ดูก่อนสุรเสนะผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสอันดีอันประเสริฐกว่าคนทั้งหลายเป็นอนเนกประการและโอกาสดังกล่าวนี้ก็อาจ น, นามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไพศาลในประการแรกพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของ น, อนรชนย่อมเป็นผู้มีอำนาจที่จะสั่งการให้คนทั้งหลายทําการใดๆหรืองดเว้นการกระทาใดๆข้อนี้ถ้าใช้ให้ดี ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายอย่างประเสริฐอันหนึ่งพระหมหากษัตริย์นั้นเพียงทักทายป ร, ราศัยด้วยอาการอันดีคนทั้งหลายก็รู้สึกเป็นบุญคุณและเป็นสิริมงคลยิ่งแล้วของที่พระหมหากษัตริย์พระราชทานแจกใครใครแม้เป็นของไม่มีค่าก็เหมือนล้ำค่าแม้เป็นของน้อยก็เหมือนของมากคนธรรมดาทาคุณแจกกันและกันแม้มาก ก็ไม่ค่อยเห็นเป็นที่ ท, ทราบเส้นใจสักเท่าไหร่นักแต่ถ้าพระมหากษัตริย์ทำคุณแจกใครแม้เพียงเล็กน้อยผู้ได้รับความช่วยเหลือนั้นๆจะรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณอันล้นเหลือแม้ข้อนี้ก็เป็นโอกาสอนันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่มหาชนได้โดยปลูกความรักใครความนิยมนับถือในหมู่ น, นรชนแล้วชักจูง น, นรชนเหล่านั้นในทางที่ดีงามสุดแต่ จะเป็นเรื่องไร้ไรดูก่อนสุรเสนะข้ออื่นยังมีอีกพระมหากษัตรินั้นเมื่อติหรือชมพระวาจาที่ติหรือชมย่อมมีน้ำหนักที่ขราชบริพานและชนทั้งหลายพึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันตนพึงใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อนิยมสิ่งใดคนทั้งหลายย่อมพลอยนิยมตามหรือเห็นเป็นของดีไปตามบางครั้งเพียงคาชมของพระมหากษัตริย์ ต่อความรู้สึกความสามารถหรือต่อการกระทําของบุคคลบางคนย่อมมีคุณค่าเสมอด้วยการมอบให้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือแม้ยิ่งกว่าข้อนี้ย่อมเป็นโอกาสอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ที่มีเป็นส่วนดียิ่งกว่าคนทั้งหลายถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระวาจาที่ติหรือชมส่งเสริมให้คนมีอุตสาหะในศิลปวิทยา ในการบำเพ็ญคุณงามความดียิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์และความสุขแก่คนทั้งหลายสิ้นกาลนานดูก่อนสุรเสนข้ออื่นยังมีอีกพระมหากษัตรินั้นเมื่อเสด็จไปเยื่มเยียนณขามนิคมชนบทใดๆชนทั้งหลายย่อมพากันมาแสดงคาระวะ พากันกระยิมยินดีที่จะได้เห็นถือเป็นสิริมงคลแจ่จากสุขของตนถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงอาศัยความใกล้ชิดติดต่อนั้นปลูกความนิยมยินดีความเคารพพักดีแล้วแลขอร้องให้ทําการใดๆห้ามปราบตักเตือนให้เว้นการใดๆแต่โดยดีเช่นขอให้เลิกดื่มสุราให้เลิกการพนันเมื่อบุคคลนั้นๆรับปากแล้วก็จะรู้สึกเป็นเรื่องที่สําคัญโดยพิเศษ จะตั้งใจทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นแม้ข้อนี้ก็เป็นโอกาสอันประเสริฐที่พระมหากษัตริย์จะทรงยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นได้ด้วยดีดูก่อนสุรเสนะข้ออื่นยังมีอีกคนทั้งหลายเมื่อจะทำการใดๆซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์โดยมากย่อมขัดข้องเพราะไร้ทรัพย์บ้างเพราะมีทรัพย์ไม่พอบ้าง ความชิดและความปรารถนาที่จะทํานั้นยังเวียนติดขัดอยู่เสมือนสัตว์ถูกขังอยู่ในกรงส่วนพระมหากษัตริย์จะไม่มีข้อขัดข้องอย่างนั้นเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิ่งที่คนทั้งหลายยังเวลาให้ร่วมไปถึงสิบปีหรือนานกว่านั้นจึงทําสําเร็จเพราะต้องมัวสะสมทรัพย์นั้นพระมหากษัตริย์อาจสังให้คนทําได้ในวันเดียวแม้ข้อนี้ก็เป็นโอกาสอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ผู้สา ม, มารถ ยังประโยชน์ให้สําเร็จแจกมหาชนได้ถ้าปรารถนาจะทำํำดูก่อนสุรศีนะโอกาสอันดีอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ดังกล่าวมาดียอด่อนี้คืออํานาจสิริและทรัพย์เป็นสิ่งที่เกิดแจกพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นผู้สา ม, มารถยังประโยชน์และความสุขให้เกิดแจกมหาชนในวันแขวนได้พอ่อเห็นอํานาจประโยชน์นี้จึงยินยอมให้เจ้ารับฐานะ ที่คนทั้งหลายมอบให้มิใช่ยินยอมเพียงเพราะเห็นว่าจะได้เข้าไปสเสวยสุขสมบัติสร้างความรื่นรมย์ใจตนและครอบครัวด้วยเหตุ น, นี้ถ้าเจ้าจะได้รับความลำบากเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องทำหน้าที่ให้สมควรเพราะต้องทำให้อโยธยามหานครซึ่งทุดโทมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วความลำบากเหน็ดเหนื่อยนั้นย่ำเป็นของที่มีคุณค่าอันพึงระลึกถึงด้วยความชื่นชม ก่อนสุรเสนะความสาเร็จในกรณิยกิจทั้งหลายอาจเกิดขึ้นจากเหตุหลายประการแต่ที่นําว่าสำคัญก็คือผู้ประกอบกรณียกิตหรือผู้ใช้ให้ประกอบจะต้องมีความรู้ดีหรือแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อความราบรื่นและความสาเร็จสมบูรณ์แห่งกรณียกิจนั้น น, นัด้วยความรู้เรื่องยากย่อมจะกลายเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่เห็นกันว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญและเรื่องที่นึกว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จเลยก็อาจทำได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นผู้เป็นประมุขจึงควรสนใจในความรู้โดยพิเศษแต่ความรู้ในโลกนี้ย่อมมีมากหลายแม้คนจะมีอายุยืนยาวสักเท่าไหร่ก็คงไม่สามารถเรียนจบทุกแขนงความรู้ได้ฉะนั้นผู้เป็นประมุข แม้ไม่สามารถเรียนรู้ศิละปะวิทยาโดยสิ้นเชิงแต่ก็อาจรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถไว้ใช้งานได้ดังเงย็นได้จากการที่รัฐสำานักจำต้องมีปุโรหติตที่ปรึกษาและนักปรารชัณฑิตไว้ประจำเพื่อช่วยพิจารณาวินิจฉัยราชกิตที่ลึกซึ้งทั้งทางขนดประเพณีระเบียบแบบแผนตลอดจนรชาพิ ป, ปาระโนบายผู้เป็นประมุขที่ฉลาด ยอมไม่ใช่เพียงใช้คนให้เหมาะจะความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่จะต้องรู้จักปลูกคนที่มีความรู้ความสามารถให้เกิดมากมากด้วยการปลูกฝังให้เกิดคนมีความรู้ความสามารถนั้นพระราชาที่สนพระชนฤทไทยอย่างจริงจังย่อมทำได้โดยไม่ยากเพียงด้วยการให้รางวัลด้วยการชมเชยด้วยมันไรถามว่าดาเนินการไปแล้วเพียงไรหรือแม้ด้วยการยกย่องให้มีชื่อเสียงปรากฏ ก็จะมีผู้อุตสาหะแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนให้สามารถสำนักศิลปวิทยาจะเกิดขึ้นเองกล่าวคือเมื่อสิทธิ์อยากจะเรียนรู้ก็ให้มีความรู้ตั้งตนเป็นอาจารย์สั่งสอนเป็นเหตุให้ความรุ่งเรืองด้วยความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในราชธานีนั้นๆเป็นพิเศษสุราเสนเอยคําโบราณย่อมกล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ แม้จะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดก็าตามก็อาจใช้ประโยชน์ได้ด้วยกันความสำคัญจึงอยู่ที่ผู้เป็นประมุขจะพึงรู้จักเลือกใช้คนให้เกิดประโยชน์แจกการนั้นนั้นเหมือนแพทย์ผู้สามารถเช็ดตินชาติและปรึกษาชาติทุกอย่างให้เป็นยารักษาโรคได้ตามลักษณะของโรคฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผู้เป็นประมุขจึงควรรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักปลูกคนที่มีความรู้รู้จักใช้คนให้เหมาะสมแก่การงานและความรู้ความสามารถของเขาดูก่อนสุรเสนเรื่องเคยมีมาแล้วพระราชาแห่งแขวนกาศีพระองค์หนึ่งทรงปรกครองให้มหาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขถึงขนาดที่พรลานหลวง อันเป็นที่ชุมนุมของผู้มีความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่างๆว่างจากผู้คนโรงสารสำหรับวินิจฉัยอธิคดีแม้มีอยู่แต่ก็ไม่มีคดีมาสู่สารตุลาการทั้งหลายพากันว่างภารกิตมีแต่เสียงสดุดีถวายพระพ ร, พรแด่พระราชาอยู่ทั่วไปพระราชาไม่ได้ปรงพระไทยเชื่อโดยส่วนเดียวได้ทรงไต่ถามสดับกรับฟังข่าวความทุกข์สุข ของรัศดร อ, อยู่ตลอดเวลาสุรเสนาเออยผู้เป็นพระราชานั้นย่อมมีผู้เข้าใกล้ชิดรับใช้ตามหน้าที่คนภายนอกยากที่จะมีใครได้โอกาสกราบทูลให้ทรงทราบเหตุการณ์ทั้งหลายตามเป็นจริงได้เรื่องที่พระราชาได้ทรงทราบจึงมักจะเป็นไปตามถ้อยคาของผู้ใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่และบุคคลเหล่านั้นบางครั้งด้วยหวังจะไม่ให้เกิดความขุ่นข้องราคาญ ก็อาจจะกราบทูลแต่เรื่องที่ดีๆเป็นมงคลใจโศนส่วนเรื่องร้ายร้ายก็อา จ, จะกลบเกลื่อนหรือพูดให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปเพราะเหตุนี้ราชาแห่งแคว้นกาสีพระองค์นั้นจึงทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะซักไซต์ต่ถามผู้อยู่ใกล้ชิดถึงเรื่องที่มีใครบ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจในการปกครองของพระองค์อย่างไรบ้างแต่เมื่อไม่ได้ข่าวว่าใครมีความรังเกียจมีแต่เสียงสรรเสริญทั่วไปดังนั้น ยิงปลอมพระองค์เที่ยวสดับตรับฟังจากข้าราชการทั้งหลายอยู่ที่บวงนอกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตำหนิยอย่างไรในที่สุดถึงกับปลอมพระองค์เสด็จออกสะดับฟังจากรัษฎรเองทั้งในและนอกพระมานครพระนศีก็คงได้ข่าวแต่ความผาสุกสวัสดีและความร่มเย็นเป็นสุขอันเกิดจากการปกครองโดยธรรมของพระองค์โดยสุนเดียวในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น ก็มีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งแห่งแควนโกศลซึ่งปกครองแว่นแควนได้ผลดีจนเป็นเหตุให้โรงศาลสำหรับพิจารณาอัตกรดีว่างพระรกิจไปเช่นเดียวกันพระราชาแห่งแววนโกศลพยายามสะดับตรับฟังจากเสวกามาตที่เป็นอันโตชนคือคนผู้ใกล้ชิดและที่เป็นพาหิรชนคือคนภายนอกราชสานักตลอดยนทรงปลอมพระองค์ออกสดับตรับฟัง จากมหาชนทั้งหลายทั้งในรัชธานีและในชนบทก็ไม่ได้ข่าวว่ามีใครตีเตียนพรงดูก่อนสุรเสนะพระราชาทั้งสองซึ่งปลอมพร่องไปนั้นได้มาพบกันในวันหนึ่งโดยไม่รู้จักกันและในลักษณะที่ต่างปลอมพระองค์ เป็นสารธีขับรถเทียมมาออกเสาะแสวงว่าจะมีใครตำหนิการปกครองโดยพระธรรมของพระองค์บ้างการที่เสด็จมาพบกันนั้นเพราะโกศลและกาศีทั้งสองวันแขวนนี้อยู่ติดต่อกันดังที่ได้ทราบอยู่แล้วแต่ไม่ได้แต่ถามพูดจา ก, กันแล้วพระราชแาขวนโกศลก็ยอมแสดงคาระวะเพราะแม้จะปกครองโดยธรรมให้ความผาสุกแก่มหาชนได้อย่างเดียวกัน แม้ว่นแควนจะขนาดใกล้เคียงกันไม่ใหญ่น้อยกว่ากันแต่เมื่อสอบดูภาษิตของกันเลียกันแล้วพระราชาแห่งแขวนโกศลทรงเลื่อมใสว่าวาทะของพระราชาแห่งแขวนกาศีประกอบด้วยธรรมมากกว่าตนดูก่อนสุรเสนาสาระสําคัญของเรื่องนี้อาจจะอยู่ที่ภาษิทธ์ของใครจะหลักแหลมและประกอบด้วยธรรมมากกว่ากันเช่นฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าจะต้องชนะคนดีด้วยความดี และชนะคนชั่วด้วยความชั่วอีกฝ่ายหนึ่งให้เอาชนะด้วยความดีทั้งหมดแต่ที่พ่อจะนามาเล่าให้ฟังนี้มิได้มุ่งหมายอย่างนั้นหากต้องการให้เห็นความพยายามของพระราชาในดีตการว่าได้ทรงอุตสาหพยายามเพียงไรที่จะปกครองแวนแควนให้มีความผาสุกสงบอันแสดงให้เห็นความที่ทรงสำนึกในราชภาระไม่ทรงคานึงถึงความยากลาบาก หรือติดอยู่ในความรื่นรมจนม่เป็นอันจะบำเพ็ญกรณีเดกิจให้สมบูรณ์ได้ดูก่อนสุรเสนาเป็นประเพณีอยู่ว่าพระราชาทรงเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งของมหาชนจนกระทั่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นที่เป็นผลกระทบถึงส่วนรวมคนทั้งหลายก็พากันไปร้องทุกข์อย่างพระาราหลวงทั้งทั้งที่ภัยซึ่งเกิดขึ้นนั้นบางครั้งเป็นภยัยภายนอกอำนาจเช่นฝนแล้งหรือเกิดโรคระบาดเป็นต้น ผู้ที่รับภาราเป็นพระราชาจึางต้องพร้อมที่จะประเชิญกับเรื่องหน้ารำคาญตั้งแต่เล็กน้อยขึ้นไปจนถึงเรื่องใหญ่ด้วยเหตุนี้เจ้าจงเป็นคนหนักแน่นรอบครอบและทำไว้ในใจว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อนามาซึ่งความสุขความเจริญแก่คนทั้งหลายจะไม่เบื่อหน่ายท้อแท้ในราชจิตมิเช่นนั้นการเครรบหน้าที่ก็จะไม่มีความหมายอะไร ดูก่อนสุรเสนะเป็นธรรมดาที่เมื่อมีรัศดรในความปกครองก็จะต้องมีผู้ประสบความยากลาบากยากไร้ความทุกข์ร้อนรําคาญต่างๆมากบ้างน้อยบ้างความยากลาบากที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งก็เนื่องด้วยการปกครองของพระราชาไม่ดีราชบุรุษหรืออาํามตด์รัชบุริพานไม่ดีการกระทําอันยังความเดือดร้อนรำสัมฤทธสายให้เกิดขึ้นได้วความเห็นใจได้บ้างด้วยประพฤติแต่ตามใจตนเองบ้าง ไม่ตั้งอยู่ในธรรมบ้างพระราชาแม้จะดีแต่อามาตย์ราชบริพานไม่ดีก็ยากที่จะแผ่ความสุขไปสู่มหาชนได้เพราะฉะนั้นการสอดส่องดูแลความสุขความเดือดร้อนของมหาชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พระราชาทั้งหลายไม่พึงละเวน้นอีกประการหนึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นบางคราวคนทั้งหลายก็สร้างให้เกิดขึ้นเจตนเองได้ทั้งทั้งที่ทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์ แต่ก็ตั้งหน้าสร้างความหายนะให้เกิดจก่ตนไม่สางเช่นเมื่อรรมาหาได้เ่ิงการพานันจนหมดตัวบ้างหมกมุ่นในการดื่มสุราจนไม่มีสติเที่ยวก่อการทะเลวิวาททุกตีกันบ้างพระราชาจึงต้องพิจารณาดูถึงเหตุแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นแล้วช่วยแก้ไขโดยควรใจเหตุนอกจากนั้นความทุกข์ยากอาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอีกเช่น น้ำท่วมฝนแรงแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบามิได้การที่น้ำท่วมก็เพราะไม่มีทางระบายน้ำให้ลงสู่ที่ต่ำได้อย่างรวดเร็วเพราะขาดลำธารเหมืองและลำรางโดยทำนองเดียวกันการที่ฝนแล้งและคนได้รับความทุกข์ยากก็เพราะไม่รู้จักกักน้ำไว้ในสมัยที่มีน้ำมากถ้ามีสะใหญ่มีลำธารมีลำราง มีเหมืองอันสามารถกักน้ำไว้ได้ระบายน้ำไปได้ก็จะมีน้ำใช้ในฤดูที่ต้องการน้ำคนที่นั่งงอมืองอเท้าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามบุญตามกรรมโดยไม่คิดหาหทางแก้ไขจึงเท่ากับเป็นผู้สิ้นคิดนั่งนอนรอโชคชะตาอยู่ดูก่อนสุรเสนะตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดานั้นการช่วยเหลือคน ไม่ใช่หมายความว่าให้ทําอะไรแทนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะองค์ได้ทรงประกาศอย่างเปิดเผย อ, อยู่เสมอว่าความเพียรเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องทําเอาเองแต่ทาคดเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้นี้ก็หมายความว่าเราจะต้องรู้จักสงเคราะห์โดยวิธีให้เขารู้จักช่วยตัวเองได้เพราะถ้าสงเคราะห์โดยวิธีให้หมดทุกอย่างทําแทนให้ทุกอย่างใครเลยจะปรารถนาทําอะไร สู้นั่งนอนรอาการสงเคราะห์ตลอดไปไม่ดีกว่าหรือและถ้าทำโดยวิธีนี้แม้จะใช้เงินในพระคังหลวงจนหมดสิ้นก็ไม่สามารถสงเคราะห์คนให้ตลอดไปได้จะกลายเป็นการส่งเสริมให้คนนั่งนอนรอความช่วยเหลือโดยไม่ทำอะไรเลยมากขึ้น ดูก่อนสุรเสนาบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ตกอยู่ในความยากลำบากแต่ไม่สามารถแก้ไขความยากลำบาก น, น, นั้นได้มีอยู่ไม่น้อยเพราะเข้าลักษณะผงเข้าตาตนเองยากที่จะเคียออกเองได้การสงเคราะห์คนนั้นในบางครั้งเพียงชี้เขาเห็นความสามารถที่ไม่อยู่ในตัวของเขาหรือแนะนำให้กําลังใจเขาก็อาจเกิดความสว่างขึ้น และแก้ปัญหานั้นนั้นได้เองในภายหลังดูก่อนสุรเสนะบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะใช้ความคิดไม่ถูกทางก็เกิดความทุกข์ยากได้เช่นตั้งหลักไว้ในใจว่าตนจะต้องมีทรัพย์สินเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีเครื่องใช้อย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีความเป็นอยโออาเท่าเทียมเศรษฐีขรรดาทั้งหลายรันไม่สามารถหารายได้หรือมีทรัพย์สินให้สมกับที่คิดเอาไว้ ก็เกิดความเศร้าโศกผิดหวังน้อยเนื้อต่าใจในความเป็นอยู่ของตนการสอนการเตือนให้บุคคลเหล่านั้นลดความต้องการที่สูงเกินไปลงบ้างแล้วใช้จ่ายพอเหมาะสมเจรัยได้ก็เป็นการสงเคราะห์ให้ผ่อนคลายความทุกข์ได้เป็นอย่างดีเพราะความทุกข์ดังกล่าวนี้เกิดจากความทะยานอยากเกินฐานะไม่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ของตน ดูก่อนสุรเสนะมนุษย์มีโอกาสดีกว่าสัตว์เหลือที่จะประมาณได้ฉะนั้นจึงมีภาษิตว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นของยากทั้งนี้เพราะมนุษย์อาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทรัพย์สินอาจจะสะสมทรัพย์สินตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้น้อยส่วนสัตว์เหล่านั้นมีแต่ตัวเปล่าไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มสักชิ้นหนึ่งหาจินไปวันวันหนึ่ง ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่มีอะไรจะเก็บไว้เป็นของมีค่าเช่นเงินทองแต่มันก็หาความสุขได้โดยไม่พั่นพลิงต่อการหากินในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเพราะหน้าที่ของมันต้องหากินเป็นประจำวันอยู่แล้วเหตุฉนัยมนุษย์เราซึ่งมีมือมีเท้ามีความฉลาดสา ม, มารถยิ่งกว่าสัตว์จึงหวั่นเกรงอนาคตกันนักเจ้าจงให้กำลังใจสั่งสอน และปรอบโยนคนเหล่านั้นเถิดว่าถ้าไม่สิ้นความพยายามไม่งอมืองอเท้าและไม่ทยธทยานจนวิ่งตามหลังความอยากของตนเองไม่ทันแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าพร่านพลึงเลยดูก่อนสุรเสนณการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนั้นถ้าฉลาดทาก็ไม่ใช่ว่าพระราชาจะต้องรับภาระแต่ฝ่ายเดียวด้วยประการทั้งปวงเศรษฐีกระบดี พ ร, ระบานีผู้มีทรัพย์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีอยู่พระราชาอาจชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้รวบรวมกำลังกันหรือดำเนินการโดยลำพังเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ทั้งหลายเป็นการแบ่งเบาภาระของพระราชาได้เป็นอย่างดี ดูก่อนสุรเสนะใครๆต่างก็ปรารถนาความเป็นอยู่ดีมีผาสุกแต่เหตุไฉนเพียงเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากคนก็ไม่ใคร่สนใจจะสร้างความเป็นอยู่ดีให้แก่ตนเช่นหลังคารั่วก็ปล่อยให้รั่วอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆทั้ทงๆ ท, ที่การมุลหลังคาใช้เวลาเพียงครู่เพียงยางก็แก้ความยุ่งยากอันเกิดจากฝนรั่วรด ซึ่งทนมาเป็นเวลาแราปีแต่คนก็มักปล่อยปละหรือผัดวันประกันพรุ่งการสร้างวัจกวักูดีคือที่เอเปปเอกเทศสําหรับทําสรีรจิตเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งแต่คนก็พอใจจะปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่โดยไม่มีสิ่งจําเป็นนั้นพอใจจะใช้ทุ่งนาป่าไม้เป็นที่ทําสรีรจิตทนยากลําบากประจําวันอยู่ได้ตลอดปีหรือตลอดชั่วอายุคนเพราะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าลำพางความปรารถนาที่จะมีความสุขสบายเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอจะต้องมีการแนะการชี้แจงว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ดีมีผาสุขจะต้องมีการจูงใจหรือเร่งเรา้าให้มีการเคลื่อนไหวไม่เกียจคร้านในเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยซึ่งจะสร้างความสุขความสะดวกให้แก่ตนเองและครอบครัวดูกนสุรเสนะผู้ที่ไม่ยอมทอดตัวเอง ให้คงระดับความเป็นอยู่อย่างคนป่ายอมพยายามแก้ไขความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นความสะอาดแห่งที่อยู่ที่อาศัยความสะอาดในการทำการบริโภคอาหารความสะอาดแห่งร่างกายและผ้านุ่งห่มไม่ขึ้นอยู่จะความมั่งมีความยากจนอะไรเลยบ้านเรือนที่ก่อสร้างงดงามแต่ผู้ปกครองอยู่ปล่อยปลาให้สกรปรกเปื้อ น, นก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าดู ยิ่งกว่ากระทำน้อยๆของคนจนๆแต่รู้จักรักษาความสะอาดและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพ่อจึงเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะได้ส่งราชบุรุษผู้ฉลาดเที่ยวแนะนำในเรื่องความเป็นอยู่ดีความสะอาดโดยไม่ต้องตั้งตัวเป็นครูแต่ให้หาอุบายแนะนำโดยแยบคายพอจะช่วยอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็เข้าช่วยก่อให้เกิดความเป็นกันเองและความไม่รังเกียจ ที่จะฟังถ้อยคําของผู้แนะนํานั้นดูก่อนสุรเสนะความเป็นอยู่ดีความสะอาดนี้พ่อได้กล่าวแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับความมีความจนแต่อยู่ที่ความรู้จักว่าทําอย่างไรจึงจะชอบจึงจะควรและความนิยมยินดีในความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเจ้าจะพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงบริหารสังฆมนตร ให้อยู่กันอย่างมีระเบียบมีความสะอาดมีความเป็นอยู่ดีทั้งๆ ท, ที่พระภริษุเหล่านั้นไม่มีสมบัติหรือปราสาทสวยงามอย่างไรเลยคงดำรงอยู่ได้ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตที่จำเป็นเพียงพออย่างชีพให้เป็นไปเท่านั้นแต่ในสังคารามก็มีวัชกูดีมีอคิสาลาโรงไฟเป็นต้นอันเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนั้นยังมีพระวินยัยว่าด้วยความเป็นระเบียบ ความสะอาดแม้ในเรื่องความเป็นอยู่การบริโภคเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องตัดเล็บการปรงผมถ้าเจ้าจะทำอโยธยามหานครให้มีระเบียบให้มีความสะอาดน่าอยู่ก็จะต้องคำหนึ่งถึงเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ดูก่อนสุรเสนะยังมีความสําคัญอีกข้อหนึ่งที่เป็นผลของการปกครองอันดีคือความมั่งคั่งของมหาชนข้อนี้ก็เช่นเดียวกันกับความเป็นอยู่ดีคือทุกคนต้องการความมั่งคั่งแต่ส่วนใหญ่ก็คงเป็นคนยากจนหาคนมั่งคั่งได้โดยยากถ้าสามารถปกครองให้คนทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นได้มากเท่าไหร่ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่าง ก็พลอยจะตามมาด้วยพ่อได้เคยกล่าวแล้วในระหว่างการเดินทางในขบวนเกวียนว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงสั่งสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักสแสวงหาทรัพย์รู้จักเก็บออมทรัพย์ที่หามาได้แล้วตลอดจนรู้จักใช้จ่ายพอสมควรเป็นต้นและยังมีคุณธรรมข้ออื่นอื่นอีกที่ช่วยให้ตั้งตัวได้ดีในชั้นแรกเจ้าควรคิดเรื่องให้ทุกคน สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ก่อนโดยส่งเสริมกษิกรรมโครักกกรรมเป็นต้นใครขาดแคลนพืชก็ช่วยในเรื่องพืชใครขาดแคลนพันโคก็ช่วยเรื่องพันโคนอกจากนั้นควรส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพทำสินค้าขึ้นใช้เองและส่งไปขายในต่างเมืองได้ด้วยโดยในยนี้อาจเป็นการทางานภายในบ้านของแต่ละครอบครัวหรือเป็นโรงงาน ซึ่งมีกรรมกรอันจะเป็นการส่งเสริมให้กรรมกรมีรายได้และให้พ่อค้ามีการเคลื่อนไหวค้าขายสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาตรัสว่าการปกครองดังกล่าวนี้เป็นการปราบยนผู้ร้ายไปในตัวเพราะเมื่อทุกคนมีอาชีพก็ต่างคนต่างอยู่เป็นผาสุขเมื่อทุกคนมีอาชีพของตนตามความถนัดแล้วยึงค่อยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่านั้น ได้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพของตนซึ่งเป็นการเพิ่มพูนมั่งคั่งขึ้นในแวนแหวนแต่ในชั้นแรกที่จะลงมือทำโดยรีบด่วนก็คือการจูงใจให้คนมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักหยีบออมโดยชี้เห็นคุณเห็นโทษเห็นผลของความเกียดคร้านว่าเป็นเครื่องเผาให้เดือดร้อนเป็นเครื่องทาลายความเจริญยิ่งกว่าศัตรูภายนอกคนเกียดคร้านชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าตัวเอง อย่างน่าเสียดายยิ่งดูก่อนสุรเสนะมีข้อเสียของพระราชาแห่งแว่นแคว้นต่างๆอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรู้ว่าพระนครใดมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชอบยกทัพไปย่งชิงพระนครนั้นๆมาไว้ในอำนาจ ข้อนี้เป็นคดีโลกและเป็นธรรมดาของการปกครองวว้นแขวนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเตรียมการป้องกันไว้ให้ดีที่แล้วมาเจ้าเคยเห็นเพียงการป้องกันขบวนเกวียนแต่การป้องกันวว่นแขวนจะต้องยิ่งกว่านั้นหลายเท่าพ่อจะกล่าวเป็นถ้อยคาสั้นๆให้เจ้านำไปคิดคือป้องกันข้างในดีชื่อว่าป้องกันข้างนอกด้วยนี้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งคือ การคิดงานอย่างนี้ช like ั However, ้นเดียวเป็นเรื่องของคนประมาทคิดสองชั้นเป็นเรื่องของคนธรรมดาคิดสามชั้นเป็นเรื่องของคนฉลาดส่วนการคิดมากชั้นกว่านั้นเป็นเรื่องของคนรอบครอบแต่ก็จะต้องไม่ลืมว่าการคิดหลายชั้นนั้นมีคติเป็นสองคือคิดดีก็เป็นผู้รอบครอบถ้าคิดไม่ดีก็สู้คิดชั้นเดียวไม่ได้ความคิดก็ดีการกระทาก็ดี ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จจึงเป็นสิ่งประเสริฐความชิดที่ฟุ้งซ่านกรารกระทําที่ไม่เกิดผลดีเป็นสิ่งที่พึงงดเว้นด้วยประการทั้งปวง